2. อภิธรรมภพาชนีสติปฐานอุเทศ 374. ส, ส, ส, สติปฐาน4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ สพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่สติปัฏฐานนิเทศกายานุปัสสนา 375. ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นอย่างไรพิกจุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกามบรุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองมัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสติปัฐาน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 ชื่อว่าสัมปะยุดด้วยสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนา377ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏตุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากาม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 ในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นงมักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐานอุเทศ380สติปัฏฐานสได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1.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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัด จ, จากกามบาลุปธรฐมาฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึก สัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนา 382. ภิกษุพิจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นอย่างไร พิูจในธรรมวม่ไหนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกรมบรุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล พิกุสงัดจากกามบรลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุสนนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองมัค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 เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรลุปัตมะฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเคเขปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัดจากการบรรลุปัตมะฌานที่เป็นสุญญตัเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา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 ฌานที่เป็นโลกุตตะกุศลนั้นนั่นแหละพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นงมักนับเนื่องในมัดนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐานธรรม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 พัทธะเป็นต้นละอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัด จ, จากกรมบาลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทาได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด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 ปัญหาปุจฉกะ386สติปฐานสได้แก่พิกจุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่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 พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา387บรรดาสติปฐาน 4. สสติปฐานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกระิเท่าไรเป็นเหตุใหสัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุใหสัตว์ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1. 22ถึง 22, กุศลติกาที่วิสัชนา 388. สตสิปดสติปานสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพพยากริตก็มีสติปฐานสที่สัมปยุทธ ด, ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุตด้วยอาทุกขมสุขเวทนาก็มีสติปฐานส ท, ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสติปฐานสกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสติปฐานสกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสติปฐานสี่ ที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสติปัฏฐานสที่สหรคตด้วยปีติ ก, ก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐานสไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม สติปฐานสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบน 3. สาสติปฐาน4ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจติและนิพพานก็มีสติปฐาน4ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอัเสกบุคคลก็มีสติปฐานสเป็นอัปปมานะ สติปทานสี่มีอปปมานะเป็นอารมณ์สติปทานสี่เป็นชั้นปาราณีสติปทานสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสติปทานสี่ไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์สติปทานสี่ที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีก็มีสติปัฏฐานสที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสติปัฏฐานสที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสติปัฏฐานสที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสติปัฏฐานสมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สติปัฏฐานสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ สทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุกโคจจ ก, กะวิสัชนา389 ส, ส, สติปฐานสไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสติปัฐานสสัมปยุทธ์ด้วยเหตุสติปัฐานสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปัฐานสี่ กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสติปฐานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จูรันตระทุกกวิสัชนาะสติปฐานสี่มีปัจจัยปรุงแต่งสติปฐานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสติปฐานสี่เห็นไม่ได้ สติปัฏฐานสี่กระทบไม่ได้สติปัฏฐานสี่ไม่เป็นรูปสติปัฏฐานสี่เป็นโลกุตระสติปัฏฐานสี่จิตบางดวงรู้ได้สติปัฏฐานสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัตฉกะวิสัชนาสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอาสวะ สติปฐาน4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสติปฐานสวิปยุตจากอาสวะสติปฐาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและ rete, เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสติปฐาน4ี่กล่าวไม่ได <email> ้ว <Ged husbands> ่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ หรือสัมปะยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะสติปัฏฐานสี่วิปยุทธจากอาสะวะสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะสี่ถึงสิบสัญโยชนะโคจัชกาทิวิสัชนาสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นสังโยช์ไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะ ไม่เป็นโยคะสี่ไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสติปัฏฐานสี่รับรู้อารมณ์ได้สติปัฏฐานสี่ไม่เป็นจิตสติปัฏฐานสี่เป็นเจตสิกสติปัฏฐานสี่สัมพยุด้วยจิตสติปัฏฐานสี่พระคนกับจิตสติปัฏฐานสี่มีจิตเป็นสมุทฐาน สติปฐานสเกิดพร้อมกับจิตสติปฐานสี่เป็นไปตามจิตสติปฐานสพระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสติปฐานสพระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสติปฐานสีส่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต สติปฐานสี่เป็นภายนอกสติปฐานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปสติปฐานสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไมย่ยึดถือ1 1บเอถึง ส, สิอุปาทานโคจัจกาธิวิสัชนาสติปฐานสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส สติปฐานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสาสติปฐานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและด้วยมักเปื้องบนสาสติปฐานสี่ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสติปฐานสี่ที่มีวิจารณก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสติปฐานสี่ที่มีปีติก็มี ที่ไม่มีปีติก็มีสติปัฏฐานสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสติปัฏฐานสที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสติปัฏฐานสที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสติปัฏฐานสไม่เป็นกามาวจร สติปฐานสี่ไม่เป็นรูปาวจรสติปฐานสี่ไม่เป็นอรูปาวจรสติปฐานสี่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สติปฐานสี่ที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มีสติปฐานสี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสติปฐานสี่ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสติปฐานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบสติปทานวิพังจบบริบูรณ์แปดสมัตปทานวิพังหนึ่งสุดตันตภาชนีสามร้อยก้าสิบ สมภัททานสเ่ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด 2. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้ว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 เพียรป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดสามร้ก้าสจูสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นฉไหนอกุศลมูลสาม คือโลภะโทสะโมหะและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกับอกุศลโมนั้นได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอกุศลโมนั้นและกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีอกุศลโมนั้นเป็นสมุดฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด พิจูตสร้างฉันทพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุโสลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดด้วยประการชนี้392ในคำว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นฉไนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้ เรียกว่าฉันทะภิกษุทำฉันทะนี้ให้เกิดให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสร้างฉันทะ393าาในคำว่าพยายามนั้นความพยายามเป็นฉไหนการปรารบความเพียรทางใจ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 ความเพียรเป็นไฉนาการปรารบความเพียรทางใจเป็นต้นละสำ ม, มาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรพิกสุปรารบ ป, ปรารบด้วยดีเศพเจริญทำให้มากซึ่งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารบความเพียร395ในคำว่าประคองจิตนั้น เป็นไนจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกสุประคองประคองด้วยดีอุปถัมภ์ค้ำชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิต396ในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นไนาการปรารบความเพียรทางใจเป็นต้นละ สัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยความมุ่งมั่นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรละบาปอากุศสลธรรมที่เกิดแล้ว397ภิกจุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพือละบาปอากุศสลธรรมที่เกิดแล้วเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้นบาปอากุศสลธรรมที่เกิดแล้วเป็นฉะไหนอกุศสลมูลสาคือโลภโทสะโมหะและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุโสลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอกุศสลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมที่มีอกุสุมาลนั้นเป็นสมุทฐานรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอคุสลรธรรมที่เกิดแล้วภิกษุ ส, สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุสรธรรมที่เกิดแล้วเหล่านี้ด้วยประการชนี้ในคำว่าสร้างฉันทะนั้น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 399ในคาว่าพยายามนั้นความพยายามเป็นไนะการปรารบความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามนี้เรียกว่าความพยายามภิกจุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายาม400ในคาว่าปรารบความเพียร น, นั้น ความเพียรเป็นฉไนะการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรพิกจุปรารบปรารบด้วยดีเสพเจริญทําให้มากซึ่งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารบความเพียร401ในคําว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นฉไนะ มโนมานั์เป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองประคองด้วยดีอุปธรรมค้ำชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิต402ในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นฉไหนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่น ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด403ภิกษุสร้างสัญธะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดเป็นอย่างไรบรรดาธรรมเหล่านั้น กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเป็นฉนันกุศลมูลสคืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุดฐานธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด พิกูจน์สร้างฉันทพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดด้วยประการชนีี้404ในคําว่าสร้างฉันทะในคําว่าพยายามในคําว่าปรารบความเพียรในคําว่าประคองจิตในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นฉไหนะ การปรารบความเพียนทางใจเป็นต้นละสัมมาวายาะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม 405. หภิกษุสร้างฉันทะ พยายามปรารกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไฉนะบรรดาธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วเป็นไฉนะกุศลมูลสคืออโลภะอโทสะและอโมหะ ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศลมหูนั้นและกายกรรมวจีกรรมโมกขกรรมที่กุศลมหูนั้นเป็นสมุทฐานรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลธรรมที่เกิดแล้วภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายเพยยียยภาพ ภับูรเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วด้วยประการชนี4 0 6คําว่าเพื่อความดํารงอยู่อธิบายว่าความดํารงอยู่อันใดนั้นเป็นความไม่เลือนหายความไม่เลือนหายอันใดนั้นเป็นความพิโยภาพความพิโยภาพอันใดนั้นเป็นความภับูร ความภัยบู์อันใดนั้นเป็นความเจริญความเจริญอันใดนั้นเป็นความบริบูรณ์407ในคําว่าสร้างฉันทะเป็นต้นละในคําว่าพยายามละในคําว่าปรารบความเพียรละในคําว่าประคองจิตละในคําว่ามุ่งมั่นนั้นความมุ่งมั่นเป็นฉไน การปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความมุ่งมั่นภิจษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยการตั้งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามุ่งมั่นสุตตันตะพาชนีจบ 2. อ, อภิธรรมภพาชนี 408. ส้อปส ม, มปรทานสี่ ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด 2. ส, สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่น<อ>เพื่อ เพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลธรรมซึ่งเกิดแล้วสสร้างฉันทะพยายามปรารพความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อเพื่อทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด 4. ส, สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อเพื่อความดำรงอยู่ไม่เดือนหายพิโยภาภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลตึ่งเกิดแล้วเพียรป้องกันสภาวะธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด 409. ภิกจุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น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 ภิกษุชื่อว่าสร้างฉันทะพยายามปรารพความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด410สในคำว่าสร้างฉันทะนั้นฉันทะเป็นไฉไนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทาความฉลาดความพอใจในธรรม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 การปรารบความเพียรทางใจความขมักขมเนความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ทอถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระด้วยดีวิริยะวิริยินทร์สีวิริยะภลระ สัมมาวายามะวิเดียสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าความพยายามพิกจุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแลว้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายาม 4ี่ในคําว่าปรารบความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสามโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุปรารบปรารบด้วยดีเศรษเจริญทําให้มากขึ้นความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 ในคำว่ามุ่งมั่นนั้นสั ม, มบปทานหมายถึงความมุ่งมั่นโดยชอบเป็นชนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพธชงอันเป็นองมัชนับเนื่องในมัชนี้เรียกว่าสัมมปทานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมปทาน เพียรละสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้ว415ภิกจุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้วเป็นอย่างไรภิกจุในธรรมีไนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกามบรุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละสภาวะธรรมที่เป็นบาปอากุศลซึ่งเกิดแล้ว416 ในคำว่าสร้างฉันทะเป็นต้นละในคำว่าพยายามละในคำว่าปรารบความเพียรละในคำว่าประคองจิตละในคำว่ามุ่งมั่นนั้นสมมติฐานเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมมระทาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมปทานเพียรสร้างสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด417พิกจุสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทําสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดเป็นอย่างไร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 ประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด418ในคําว่าสร้างฉันทะเป็นต้นละในคําว่าพยายามละในคําว่าปราลบความเพียรละในคําว่าประคองจิตละในคําว่ามุ่งมั่นนั้นสมประฐานเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจ สัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมปทานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยสัมมปทานเพียรรักษาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วไม่ให้เสื่อม419ริกษุจสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิต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 คำว่าเพื่อความดำรงอยู่อธิบายว่าความดำรงอยู่อันใดนั้นเป็นความไม่เลอะเลือนความไม่เลอะเลือนอันใดนั้นเป็นความพิโยภาพความพิโยภาพอันใดนั้นเป็นความไผ่บูนความไผบู์อันใดนั้นเป็นความเจริญความเจริญอันใดนั้นเป็นความบริบูน421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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสร้างฉันทะ422ในคําว่าพยายามนั้นความพยายามเป็นฉไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าความพยายามภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยายาม423ในคําว่าปรารบความเพียร น, นั้นความเพียรเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรต์นับเนื่องในมตรต์นี้เรียกว่าความเพียรภิกษุปรารบปรารบด้วยดีเซ จเจริญทําให้มากซึ่งความเพียร น, นี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปรารบความเพียร424ในคําว่าประคองจิตนั้นจิตเป็นฉไนจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุประคองประคองด้ดีอุปถัมภ์ค้าชูจิตนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประคองจิต 425. ในคำว่ามุ่งมั่นนั้นส ม, มัปประธานเป็นฉะไหนการปรารบความเพียนทางใจส ม, มาวายามะวิริยสัมโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าส ม, มัปประธานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยสมัปประธาน 426. บบรรดาธรรมเหล่านั้น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 สัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมมระทานสมมภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยสัมมระทานอภิธรรมาภาชนีจบ